สิกขาบทวิพังสี่ร้อยคำว่าก่อใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก่อใดคําว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเชอบเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้ที่ชื่อว่ากรรมที่ทําถูกต้องได้แก่อัปปโลกนกกรรมยติกกรรมยติทุติยกรรม และยะติจตุตกรรมที่ทรงทาโดยธรรมโดยวินัยโดยสัตธุศาสตร์นี้ชื่อว่ากรรมที่ทาถูกต้องภิกษุให้ชันท่าไปแล้วกับติเตียนต้องอบัตตาจิตี